อาจารย์ตุ้มเป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างคอยรู้น้าใจของเราพวกชอบปฏิบัติเนี่ยบางทีมันชอบเข้าไปแช่ไปแช่อยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งไปแช่แล้วมันนิ่งๆเราก็ว่ามันภาวนาดีให้คอยรู้ทันมัน ใจเราได้เป็นอิสระไม่ลงไปแช่ไว้แต่ว่าคอยระวงนนังนึงอย่าไปประคองไว้นะยังประคองอยูนะ่คุณเสื้อแดงนี่นะตามดูก็ได้นะคือแล้วแต่ว่าแต่ละคนนะทางใครทางมันนะการปฏิบัติ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 รู้กระหลงนะ้มัต่างกันนิดหนึ่งเป็นคลิกคลิกเดียวก็หลงแล้วะอ่คลิกหนึ่งก็รู้นะแล้วก็หลุดไปก็รู้นะแค่นั้นแหละวันวันทําได้ดีแล้วนะสังเกตไหมว่ากิเลสพอมัน ไ, ไหวแว บ, บเราก็เห็นเองเห็นโดยไม่ได้เจตนาจะเห็นการที่เราสามารถฝึกจนสติเกิดได้เองนี่แหละใช้ได้และ้นะ สติปัฏฐานเนี่ยเราอุตสาห์ทำมาแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อสองวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกเพื่อให้เกิดสติตอนนี้สติของโอ้นเกิดแล้วใจขยับคลิกหนึ่งก็เห็นคลิกหนึ่งก็เห็น น, น, นั่นแหละดีแล้วนะทำไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจ น, นะดีละภาวนาได้ดีเลยล่ะการปฏิบัติ พอเรามาถึงจุดนี้มันจะเหลือนิดเดียวหนะลงไปแล้วก็รู้หลงไปแล้วก็รู้นะคลิกคลิกคลิ ก, ล ก, ลกขึ้นมาเรืเ่อยๆครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกเหมือนเอาก้อนหินโยนลงบ่อ น, น้ําว่าทีๆนะแหน่มันค่อยๆแหวกแหวกไม่เอาหรอกไม่เอาอัานไหนสักอันนึง จิตจะเป็นยังไงก็ได้เราดูในแง่ที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราว็นดูออกไหมมันทำงานของมันเองมันทำได้ดีนะทาไปการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันต้องทำจนถึงจุดที่จิตมันทำเองจิตมันรู้เองสติเกิดโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดใจไหวปับ๊บก็เห็นนะความรู้ตัวก็ผุดปั๊บขึ้นมาหยุดไม่ได้เราไม่ได้เรียนเพื่อให้หยุดนะ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 จะตื่นตั้มมันช่วยเลยแล้วมันจะชวยไปเรื่อยๆนะจนถึงเวลาที่เป็นพระอรหันต์ต่อไปมันจะเริ่มวางบ้างวางได้เป็นขณะขณะแล้วก็หยิบขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวก็วางหนึ่งก็หยิบนะภาวนาได้ดีแล้วละทำไปอย่าขี้เกียจนะไอยเขามาทีหลังตอทีหลังเ้าดังกว่าดีแล้วว่า น, นทำได้ดีแล้ว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 แต่ว่าคนในโลกน้อยนักที่จะเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์ได้นะจะเห็นแต่ว่าถ้าจิตนี่ไหลไปหยากไปยึดนะจิตถึงจะทุกข์และจิตอยู่อิสระอยู่เป็นตัวของตัวเองอยู่รู้สึกไม่ทุกข์เนะี่ยอันนี้ยังเห็นไม่ตรงถ้าเห็นตรงจะเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะไม่ใช่มีสองอย่างถ้ายังมีสองอย่างว่า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 น่สัจจันที่สุดเลยงั้นสามใจยังเป็นคู่คู่อยู่มีจิตที่รู้กับมีจิตที่เผลออยู่จิตเป็นคู่คู่งานยังไม่เสร็จต้องดูไปอีกเงั้นจะมีอันหนึ่งสุขอันหนึ่งทุกข์อันหนึ่งดีอันหนึ่งชั่วอันหนึ่งหยาบอันหนึ่งละเอียดรู้สึกไหมเขาไหลออกไปก็หยาบรู้สึกขึ้นมาก็ละเอียดเขาไหลไปก็ชั่วรู้สึกขึ้นมาก็ดี ใ, ดใช่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 เป็นภาร ะ, ะขันห้าเป็นภาระเป็นของหนักบุคคลแบกภาระแบกของหนักออกไปเนี่ยไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระริยเจ้าวางของหนักลงแล้วไม่หยิบช่วยขึ้นม า, นมนาอีกมันจะวางเองนะวางเองถ้าวางแล้วอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปบวช <c oughs> อยู่กับโลกก็ไม่ได้แล้วดูไปเรื่อยนะอย่ากลัวนะ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 เอ่มันยังต้องดูอยู่อ่ามันยังต้องดูอยู่เพราะงานมันยังไม่หมดก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะดูไปดูไปเจอจิตมันดูของมันเองอ่ะมันดูของมันเองแล้วง่ายนิดเดียวเลยวันๆไม่ต้องทําอะไรนะมันทําของมันเองคุณเป็นสีเป็นไงอ๋อนั่นแหละดีล่ะดีละอะไร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 นะปิติไม่ใช่อกุศลเพราะงั้นปิติเกิดขึ้นได้แม้ในพระอริยยังมีปิติเลยนะพระอรหัน์ยังมีปิติได้เลยนะงั้นปิติไม่ใช่เครื่องวัดว่าหลงไปนะแต่ถ้าใจเราเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วอนะหลงแน่นอนนะจิต ท, ที่เป็นทุกข์ทกหนักหนั ก, นกแน่นแน่นแข็งแข็งแล้วก็เป็นอกุศลจิตที่โลภโกรธหลงขึ้นมาเป็นอกุศลจิตมีปิติไม่ได้อกุศล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 ไอ้นั่นธรรมดาต้องต้องเป็นอย่างนั้นเออน่คอยดูอย่างนั้นดีแล้วดูไปได้ทำได้ดีแล้วอะคุณพี่พิงกเก้าอี้นั สติเนี่ยมันมีเวทนาได้สองอย่างอันนึงโสมนัสเวทนาคือความเบิกบานอันหนึ่งเบกขาเป็นกลางนะมีได้สองอย่างแต่ไม่มีโทมนัสนะถ้ารู้สึกเป็นทุกข์ในใจคิดเครียดในใจแสดงว่าอากุศลแน่นอนนั้นเะฉยๆได้แต่เฉยๆจะต้องไม่แข็งไม่ทื่อสังเกตดูถ้าแข็งแข็งทื่อๆแสงดงว่าประคองไว้ถ้าเฉยแบบซึ้บือ้อทื่อๆแข็งแข็งแล้วก็แสงดงว่าประคองไว้นะของคุณใช้ได้ไม่ได้ประคองหรอก ทำได้ดีแล้วอ้าถัดมาละ่ะ ต้องพักนะพักไม่พอมันสะสมด้วยนะถึงเวลาพักก็พักยาวเลยเ อ, าอ้ า, อานิ่มนิมก็ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ภาวนาดีขึ้นเนยอะนะดีกันทั่วๆั่วเลยนุชรัตน์ก็ดีภาวนาดได้ดีกันคุณผู้ชายนี่ แล้วมาใหม่แล้วเคยอะไรนะนนแล้วตระกูลนี้ดีนะตระกูลนี้เข้าวัด ท, ทั้งบ้านเลยนะ <c oughs> เหรออ๋อไม่ทั้งบ้าน <c oughs> เคยมาไหมไม่เคยเหรอหน้าตาคุคน้นคุอ น, นอ๋อะแล้วหนุ่ยศึกไหมยนะัง <c oughs> เอ <c oughs> เอเหลอทำไมล่ะศ <c oughs> <c oughs> ึกแล้วศึกแล้วไม่กล้ามาหาเละ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 แบบเดียวกัน น, นั่นเองแต่ดีกรีเข้มข้นไม่เท่ากันรวงความก็คือตัวอัตตากิลมาฐานุโยก น, นั่นเองทําไมถึงไปบังคับมันไปควบคุมมันเพราะอยากจะให้กายนี้ใจนีด้ดีอยากจะให้จิตใจ น, นั้นแหะมีความสุขอยากจะให้จิตใจนี้บรรลุธรรมมันะ้ยมุ่งตอบสนองความเป็นตัวเราของจิตใจ น, นั่นเองบิวเป็นไงบิว ปกติแล้วแสดงว่ามีศีลมีไหมศีลออมีนะอย่าทิ้งศีล น, นะทิ้งศีลเดีย๋ยวไปได้เหลืองนะส <c oughs> ังเกตไม่เหลืองเป็นหมาที่ร่ำรวยอะ <c oughs> คนชอบซื้อขนมมาให้มันกินน <c oughs> บางทีก็ซื้อเสื้อผ้ามาให้นั่นมันก็ไม่ชอบ ซ, อซื้อนอนมาให้มันซืนี่ให้มันมันร่ำรวยนะแต่มันเป็นหมา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 เวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะเป็นทุกข์ขาปฏิปทาพราที่กิเลสรุนแรงเนี่ยเวลาลงมือทำแล้วจะเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสเลยกว่าจะผ่านไปได้แต่ถ้าเราจเจริญสติจเจริญปัญญามามากอินทรีย์เราแก่กล้าเราจะบรรลุเร็วเนี่ยงันจะบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าอยู่ที่ว่าฝ่ายกุศลเรามากแค่ไหนถ้าฝ่ายกุศลเราอบรมมาดีอินทรีย์แก่กล้าก็าบรรลุเร็วกุศลน้อยหน่อยก็บรรลุช้าหน่อย ส่วนการปฏิบัติลําบากหรือสบายอยู่ที่ว่ากิเลสของเรารุนแรงแค่ไหนอย่างบางคนโมหะมากเขปฏิบัติลําบากนะกว่าจะตื่นขึ้นมาเนี่ยล้มลุกลุกคลาเนหน็เดเหนื่อยมากเดินจงกลมเนี่ขาแทบเลี่ยงเลยกว่าจะตื่นอะไรเงี้ยคนหนึ่งกิเลสเบาบางถูกสกิดนิดเดียวก็มองเห็นแนละ้วก็ตื่นง่ายแต่ละคนไม่เหมือนกัน มันอยู่ที่ว่าเขาช่วยแล้วจิตเป็นยังไงนะถ้าจิตเขาเป็นกุศลมันก็ดีอจิตนะนะเป็นกุศลหรือว่าเวลาทําหนังสือด้วยกันแล้วประชุมกันทะเลาะกันโมโหขึ้นมาเห็นความโมโหอย่างนี้สิก้าวหน้าได้นะเห็นกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆอเวลาอยู่กันด้วยฉลัดแล้วกิเลสเกิดมากโมโหมันโมโหปวนโทสะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามองเห็นบ่อ ย, อยๆเขาก็จเจริญได้ อะไรนะไม่ใช่เราไม่ได้เจตนาไ <c oughs> อ้ น, นี้เป็นผลไประโยเป็นความเก่งของเขาเองยังจะเอาความดีใส่ตัวอีกย่า <c oughs> <c oughs> งไปร่ารานเขานะแล้วเขาก็ทุกข์ยากแล้วก็ดูของเขาเอาใจเขาบรรลุไม่ใช่ฝีมือเรานะ <c oughs> เราไม่มีส่วนได้เสียอะไรแต่ถ้าเราเจตนา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 ใช่ใช่ดีแล้วล่ะอคุณน้องน้องีมกค่ะเคยใส่แกะแกมาอก็นว่ดดคิดจะมาสไถ้าจะได้น้องแกน่ก็เลยดีลวนะชวนกันปฏิบัติ ด, ดีนะเรียกว่ากาลยานามิตรช่วยกันบุ๊กเป็นไง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 คนผู้ชายนี่ล่ะเป็นไงบ้าง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 อย่างเราตั้งใจจะฟังธรรมะแล้วเกิดมีคนส่งเสียงโหนกหูเนี่ยใจเราเกิดโทสะโกรธโมโหและวําคาแล้ให้รู้ที่ความโกรธนี้ไม่ใช่รู้ว่าอ๋อตอนนี้เด็กมันตะโกนโหนกหูอะไรเงี้ไม่ใช่ให้รู้ที่ใจเราความรู้สึกอย่างตอนนี้หนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมให้คอยรู้สึกอย่างเงี้ยใจมันหนีไปก็รู้ใจมันมีความรู้สึกยังไงก็รู้รู้สองอย่างการดูจิตเนี่ยอันนึงรู้ความรู้สึก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 เหลือดีเนาะพาแม่พาน้องมาเข้าวัดบางบ้านน่ารักมากเลยมากันทั้งบ้านเลยมีผ้าบ้านคนหนึ่งนะแกมีหลายบ้านแกพามาทีละบ้านโอ้ยอดยอดนักบริหารจริงๆนะพามาทีละบ้านเีบ้านเรียนน่าเรียนทุกบ้านเลยเลยไม่ตีกันเลยแกสบาย บอกหลวงพ่อมีบุญคุณกับผมมากนึว่าเรื่องอะไรที่แท้ทำให้เมียไม่ตีกันยมรู้จักใจลอยมัมยยมผู้หญิงเนี่ยรู้จักใจลอยไม้มใจลอยมันจะดีไปเรื่อยๆนะใจลอยเนี่ยภาษาพราะแปลว่าขาดสติเนะพราะสติเนี่ยคือความไม่เลื่อนลอยนะพอไม่มีสติเนี่ยใจมันจะเลื่อนลอย เดี๋ยวลอยไปโน้นลอยไปนี้ส่วนมากลอยไปคิดนะเราจะหลงหลงไปอยู่ในโลกของความคิดทั้งมันเลยแต่ถ้าเมื่อไหอไรเรารู้ว่าใจเราลอยไปคิดนะเราจะเกิดสภาวะอีชนิดหนึ่งสภาวะแห่งความรู้และตื่นขึ้นมาพอใจเราไหลไปคิดปุ๊บเรารู้ทันว่าใจคิดเราจะตื่ น, นหน้าที่ของเราก็คือตื่นให้บ่อยหน่อยตื่นบ่อยๆเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม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 นึกถึงคนดีนึกเทวดานึกสตินะแะจิตใจของเราก็จะสงบจิตใจเราสงบมีกำลังเราก็ดูของเราต่อไปนะอา้าวลูกชายเป็นไงลูกชายเห็นกิเลสเกิดบ่อยไหมอโอ้ดีดีมากเลยนะเห็นกิเลสเนี่ยเออแรงดันนะั่นเป็นตัณหา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 แล้วดีมีความสุขสุดไปแล้วทางนี้ล่ะคุณผู้หญิงเนี่ยเ ล, ลเ <laughs> ยหลบใหญ่เออดีดีเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะแล้วพยายามฟังนะหลวงพ่อรับรองเลยถ้าฟังไปเรื่อยๆนะความทุกข์จะน้อยลงจริงๆเราแต่ละคนอยู่กับโลกนะ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 อากมีใครจะคุยอะไรเชิญคุณผู้ชายข้างหลังนั้นแหละเมื่อกี้เออหัดเอานะไปฟังซีดีหลวงพ่อผ ม, ม, มขึข้นมาก็ขอไปพ่อแบบั้นเพราะว่าเมื่อปฏิบัติไปเกิดใช้สมาธิมาเรมากคนไม่ได้นะครับเพราะต้องการมาธิเริ่มก็วนเรียนคนเรียนอยู่ยงไอยอมฝึกแบบไหนฝึกแบบทตนโกเองก้าหรือเปล่า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 เราหายใจไปคอยรู้ทันใจตนเองนิมนต์ครับท่านอาจารย์ขอทางให้พระท่านเดินไดน้ดนะ้าย new okay. guys.